ไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่สี่สิบพระอพิธรรมปิฎกเล่มที่เจ็ดปฐานภาคหนึ่งพระอภิธรรมปิฎกธรรมานุโลม ข้อฐานขอ น, นอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาติกานิเขปวาระ 1. ปัจจยุเทศ 1. เหตุปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุ 2. อารมณะปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอารมณ์ 3. อธิปติปัจจโย สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอธิบดี 4. อนันตระปั จ, จโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความติดต่อกันไม่มีระหว่างขัน้น 5. สมานันตระปั จ, จโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความติดต่อกันไม่มีระหว่างขั้นด้วยดีหาชาชะตปัจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดพร้อมกัน7 อัญญามัญญะปัจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นปัจจัยสายการละกัน 8. นิจญาปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นที่อาศัย 9. อุปนิจญาปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นที่อาศัยที่มีกำลัง 10. ปุเรชาตะปัจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดก่อนสิบอ ปัจจาชาตะปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดทีหลังสิ 12. องอเศวณปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเสพบ่อยๆ 13. บสามกรร ม, มปัจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นกรรม 14. วิปากปัจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นวิบากสิบหอาหาระปัจจโย สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอาหาร 16. อินทริยปัจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอินทรีย์ 17. บชาณปัจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นชาญ 18. มัคคะปัจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นมัคสิบก้าซัมปยุตตาปัจจโย สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นการประกอบยสิวิปยุตตาปัจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นการไม่ประกอบยี่อ็ดอัติปัจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นภาวะที่ยังมีอยู่22นาิบิปัจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นภาวะที่ไม่มีอยู่23ิวิคตะปัจโย สภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความปราศจากไปยี่สิบสีอวิคตะปั จ, จโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความไม่ปราศจากไปปัจจยุเทศจบปั จ, จะยะวิพังควาระ สปัจจญาิเทศหนึ่งเหตุปัจจัยได้แก่เหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุและรูปที่มีธรรมอันสัมปยุตธ์ด้วยเหตุนั้นเป็นสมุทฐานโดยเหตุปัจจัย 2. อาอรมานะปัจจัยได้แก่รูปายตะนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจักขุวิญญาณธาตุนั้นโดยอารมานปัจจัยสัตทายะตนะ เป็นปัจจัยแก่โสตะวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยโสตะวิญญาณธาตุนั้นโดยอารามณปัจจัยคันทายตนะเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคานวิญญาณธาตุนั้นโดยอารามณปัจจัยไรสายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยอารามณปัจจัยโพธพายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยอารมณปัจจัยรูปายตนะสัสทธายตนะคันทายตนะราศายตนะและผูถาพายตนะเป็นปัจจัยแก e ่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยมโนธาตุนั้นโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมทั้งปวงเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยมโนวิญญาณธาตุนั้นโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกใดๆปรารฏสภาวธรรมใดๆเกิดขึ้นสภาวธรรมนั้นๆเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกนั้นๆโดยอารามณปัจจัย 3. อธิปฏิปัจจัยได้แก่ชันทาธิปดีเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัสสมปยุดด้วยชันทะ และรูปที่มีธรรมอันสัมปยุทธ์ด้วยฉันทะนั้นเป็นสมุทฐานโดยอธิปติปัจจัยวิริยาธิปดีเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยวิริยะและรูปที่มีธรรมอันสัมปยุทธ์ด้วยวิริยะนั้นเป็นสมุทฐานโดยอธิปติปัจจัยจิตตาธิปดีเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจิตและรูปที่มีธรรมอันสัมปยุทธ์ด้วยจิตนั้นเป็นสมุทฐานโดยอธิปติปัจจัยวิมังสาธิปดี เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยวิมังสาและรูปที่มีธรรมอันสัมปยุทธ์ด้วยวิมังสานั้นเป็นสมุทฐานโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกใดๆทําสภาวธรรมใดๆให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่งเกิดขึ้นสภาวธรรมนั้นๆเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกนั้นๆโดยอธิปติปัจจัย 4. อนันตระปัจจัยได้แก่จากผูวิญญาณธาต และสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจักขรวิญญาณธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยมโนธาตุนั้นโดยอนันตระปัจจัยมโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยมโนธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยมโนวิญญาณธาตุนั้นโดยอนันตระปัจจัยโสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุ และสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยมโนธาตุนั้นโดยอนันตระปัจจัยมโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปะยุทธ์ด้วยมโนธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยมโนวิญญาณธาตุนั้นโดยอนันตรปัจจัยคณะวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปะยุทธ์ด้วยคณะวิญญาณธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปะยุทธ์ด้วยมโนธาตุนั้นโดยอนันตระปัจจัย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 เป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ no <Napoleon> ์ด้วยมโนวิญญาณธาตุนั้นโดยอนันตระปัจจัยกายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยมโนธาตุนั้นโดยอนันตรปัจจัยมโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยมโนธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมที่สัมปะยดด้วยมโนวิญญาณาธาตุนั้นโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ er เป็นอกุศลซึ่งเกิดห nee ลังๆโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดหลังๆโ ด, ยอ น, นดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกใดๆเกิดขึ้นในลำดับแห่งสภาวธรรมใดๆสภาวธรรมนั้นๆเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกนั้นๆโดยอนันตระปัจจัย ห้าสมณันตระปัจจัยได้แก่จากขกวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจากขกวิญญาณธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยมโนธาตุนั้นโดยสมณันตระปัจจัยมโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยมโนธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยมโนวิญญาณธาตุนั้นโดยสมนันตระปัจจัย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 คานวิญญาณาาธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคานวิญญาณธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปะยุทธ์ด้วยมโนธาตุนั้นโดยสมณันตระปัจจัยมโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปะยุทธ์ด้วยมโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยมโนวิญญาณธาตุนั้นโดยสมณันตระปัจจัยชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปะยุทธ์ด้วยชิ ว, วหววาวิญญาณธาตุนั้น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 เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งเกิดหลังๆโดยสมณันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดหลังๆโดยสมณันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดกลอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเกิดหลังๆโดยสมณันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเกิดกลอน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 เกิดขึ้นในลำดับแห่งสภาวธรรมใดๆสภาวธรรมนั้นๆเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกนั้นๆโดยสมณันตระปัจจัย 6. สหาชาตะปัจจัยได้แก่ขันธ์4ที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยสหาชาตะปัจจัยมหาภูตรูป4เป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยสหาชาตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะ นามรูปเป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยสหชาติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยสหชาตปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปโดยสหชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นรูปบางคราวเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยสหชาตปัจจัยบางคราวไม่เป็นปัจจัยโดยสหชาติปัจจัย 7. อัญญมัญญ <ai> <sie> ะปัจจัยได้แก่ขันธ์สี่ที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญะปัจจัยมหาภูตรูปสี่เป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญะปัจจัยในปฏิสนธิขณะนามรูปเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญะปัจจัย 8. นิสยปัจจัยได้แก่ขันธ์สี่ที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแส่กันละกันโดยนิสยปัจัย มหาภูตรูปสี่เป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยนิสยปัจจัยในปฏิสนธิขณะนามรูปเป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยนิสยปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปโดยนิสยปัจจัยจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจักขรวิญญาณธาตุนั้นโดยนิสยปัจจัยโสตายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตธ์ด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยนิสยปัจจัยคานายตนะเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคานวิญญาณธาตุนั้นโดยนิสยาปจัยชิวหายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยเฉียวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยนิสยปัจจัยกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปะยุทธ์ด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยนิสยปัจจัยรูปที่มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไปเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุมโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยธาตุท <C at Kelsey> ั้งสองนั้นโดยนิสยปัจใจเก้า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 โดยอุปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอคุศลซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอคุศนซึ่งเกิดหลังๆโดยอุปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลบางเหล่าซึ่งเกิดหลังๆโดยอุปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอคุศนซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเกิดหลังๆ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 โดยอุปอาณิสยปัจจัยแม่อุตุและโภชนะก็เป็นปัจจัยโดยอุปอาณิสยปัจจัยแม้บุคคลก็เป็นปัจจัยโดยอุปาณิสยปัจจัยแม้เสนาสนะ ก, ก็เป็นปัจจัยโดยอุปอาณิสยปัจจัย 10. บุเรชาตปัจจัยได้แก่จักขลายตนะเป็นปัจจัยแ ก, จก่จักขวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุดด้ดโดยจกักขวิญญาณธาตุนั้นโดยบุเรชาตปัจจัย โสตายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตะวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ <ule> ์ด um ้วยโสตะวิญญาณธาตุน <damp sect> ั้นโดยปุเรชาตปัจจัยฆานายตนะเป็นปัจจัยแก่ฆานะวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยฆานวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยชิวหายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัย กายยัตนะเป็นปัจจ right uh like ัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาติปัจจัยรูปายัตนะเป็นปัจจัยแก่จักรวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยจักรวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาติปัจจัยสัทธายัตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาติปัจจัย พันธายตนะเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคานวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยรัศยายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยโพธายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาติปัจจัย รูปายตนะศัทธายตนะคันธายตนะรสาายตนะและผูถพาายตนะเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยมโนธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยรูปที่มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไปเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยมโนธาตุนั้นโดยปุเร er ชาตปัจจัยบางคราวเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมที่สัมปยุด้วยมโนวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาติปัจจัยบางคราวไม่เป็นปัจจัยโดยปุเรชาติปัจจัย 11. ปัจฉาชาติปัจจัยได้แก่สภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ซึ่งเกิดก่อนโดยปัจฉาชาติปัจจัย 12. องเศวณปัจจัยได้แก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดก่อน เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังๆโดยอาศัยวนปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดหลังๆโดยอาศัยวนปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกตะกริยาซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกตากริยาซึ่งเกิดหลังๆโดยอาศัยวนปัจจัย13า กรรมปัจจัยได้แก่กรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแส่ขันที่เป็นวิบากและกระตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยเจตนาเป็นปัจจัยแสสภาวธรรมที่สัมปยุตและรูปมีสภาวธรรมนั้นเป็นสมุทฐานโดยกรรมปัจจัย 14. วิปากะปัจจัยได้แก่ขันธ์สี่ที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแ่กันและกันโดยวิปากะปัจจัย สิอาหาระปัจจัยได้แก่เกาเหลีงกราหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอาหาระปัจจัยอาหารที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุต์และรูปซึ่งมีสภาวธรรมนั้นเป็นสมุทฐานโดยอาหารปัจจัย 16. อินทริยปัจจัยได้แก่จากขุนศีเป็นปัจจัยแก่จากขุวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุติโดยจากขุวิญญาณธาตุนั้นโดยอินทริยปัจจัย โสตินสีเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยอินทริยปัจจัยคาณิงสีเป็นปัจจัยแก่คาณวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคาณวิญญาณธาตุนั้นโดยอินทรียปัจจัยชิวหินสีเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยอินทริยปัจจัย กายินรีเป ja e ็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธเดียกายวิญญาณธาตุนั้นโดยอินทริยปัจจัยรูปชีวิตินสีเป็นปัจจัยแก่กัคคตารูปโดยอินทรียปัจจัยยินสีที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธและรูปซึ่งมีสภาวธรรมนั้นเป็นสมุทฐานโดยอินทริยปัจจัย 17. บชาณปัจจัยได้แก่ องค์ฌานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยฌานและรูปซึ่งมีสภาวธรรมนั้นเป็นสมุทฐานโดยฌานปัจจัย 18. บแปมัครปัจจัยได้แก่องค์มัคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยมัคและรูปซึ่งมีสภาวธรรมนั้นเป็นสมุทฐานโดยมัครปัจจัย 19. สัมปยุตตาปัจจัยได้แก่ขันธ์สี่ที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่ ก, กันและกันโดยสัมปยุตตาปัจจัย ยี่สิบวิปยุตตะปัจจ AH ัยได้แก่สภาวธรรมที่เป well. ็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยวิปยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปโดยวิปยุตตะปัจจัยี่สิบเอ็ดอธิปัจจัยได้แก่ขันธ์สี่ที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปสี่เป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยอธิปัจจัย ในปฏิสนธิขณะนามรูปเป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปโดยอัติปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปโดยอัติปัจจัยจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณธาตุและสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจักขวิญญาณธาตุนั้นโดยอธิปัจจัยโสตญาตนะ เป็นปัจจยัยแก่โสตะวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยโสตะวิญญาณธาตุนั้นโดยอัิปัจจ mhm. ัยคานายตนะเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคานวิญญาณธาตุนั้นโดยอัิปัจจัยชิวหายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยอธิปัจจัยกายายตนะ เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยอธิปัจจัยรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขูวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยจักขูวิญญาณธาตุนั้นโดยอธิปัจจัยสัทธายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตะวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยโสตะวิญญาณธาตุนั้นโดยอธิปัจจัยคันทายตนะ เป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคานวิญญาณธาตุนั้นโดยอัิปัจจัยรัายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยอธิปัจจัยโพธภายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยอัิปัจจัยรูปลายตนะ สัทธายตนะคันทายตนะรัษาายตนะและผดุถายตนะเป็นปัจจัยแก่มนโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยมนโนธาตุนั้นโดยอธิปัจจัยรูปที่มนโนธาตุและมนโนวิญ ญ, ญาณธาตุอาศัยเป็นไปเป็นปัจจัยแก่มนโนธาตุมนโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ได้ธาตุทั้งสองนั้นโดยอธิปัจจัย22นัตถิปัจจัยได้แก่ สภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกที่ดับไปไม่มีระวังขั้นด้วยดีเป็นปัจจยัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกที่เป็นปัจจุบันโดยนิิปัจจัยยี่สิบสาวิคตะปัจจัยได้แก่สภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกที่ปราศจากไปไม่มีระวังขั้นด้วยดีเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกที่เป็นปัจจุบันโดยวิคตะปัจจัยยี่สิบสี่ อวิคตะปัจจัยได้แก่ขันธ์สี่ที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยอวิคตะปัจจัยมหาภูตรูปสี่เป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยอวิคตะปัจจัยในปฏิสนธิขณะนามรูป 4, เป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยอวิคตะปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฐานรูปโดยอวิคตะปัจจัยมหาภูตรูป 4. เป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปโดยอวิคตะปัจจัยจักขายาตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจกักขวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตะปัจจัยโสตายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตะวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตธ์ด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตะปัจจัยคานายตนะเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยคานวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตะปัจจัยชิวหายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่ส right ัมปยุทธ์ด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตะปัจจัยกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตธ์ด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตะปัจจัยรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขววิญญาณธาตุ สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยจกักขูวิญ ญ, ญาณธาตุนั้นโดยอวิคตปัจจัยสัทธายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตปัจจัยคันทายตนะเป็นปัจจัยแก่ขานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยขานวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตะปัจจัยจรษายตนะเป็นปัจใจแก่ชิวหาวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตะปัจจัยโหทพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตะปัจจัยรูปลายตนะสะทายตนะคันทายตนะรายสายตนะและโหทพายตนะเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยมโนธาตุนั้นโดยอวิคตะปัจจัย รูปที่มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไปเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุมโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยธาตุทั้งสองนั้นโดยอวิคตะปัจจัยปัตยานิเทศจบ ปุถาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมเอกาโมลกะในหนึ่งกุศลบทยี่สิบห้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลพ เ, เพเิเงงเเพ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพิ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤต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 สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุัจจัยได้บ้างไหมสี่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 อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภยากฤิพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภยากฤิพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้บ้างไหมหอปุสลาพยากตะบทยี่สิบเสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภยากฤิ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 อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภยากฤิพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้บ้างไหมหกุศลากุชลบทสาสิบสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุัจจัยได้บ้างไหม